สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสบายสบายกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวร น, นิเวศวิหารนะคะนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญพรค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การจัดรายการในวันนี้นะคะก็อยากให้พระอาจารย์บอกถึงช่องทางของการเข้ารับฟังรายการธรรมะสบายสบายกับท่านผู้ฟังก่อนนะเจ้าค่ะขายของทุกตอนเลยอาจจะเบื่อกันแล้วละ่ะเผื่อว่าบางค น, เ, เ, ป น, เ, ปนเป็นแฟนคลับคนใหม่นะเจ้าค่ะอืม ก็เข้าไปได้ที่ Facebook อีซีธรรมะนะสะกดว่า E A S Y D H A M M A เมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความไม่ประมาทนะความไม่ประมาตก็ประรบเหตุว่ามีคนป่วยแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่า เมื่อไรเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ความตายมาเยี่ยมเยือนนะทีนี้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยได้เอาข้อคิดหรือว่าหลังจากที่ฟังรายการไปแล้วเนี่ยได้เอาไประลึกนึกถึงหัดฝึกหัดที่จะระลึกนึกถึงความตายเนี่ยได้บ่อยขนาดไหนแล้วก็ได้เห็นผลของการที่ท่านฟังเนี่ยได้ลองมาระลึกนึกถึงความตาย หรือเปล่าเพราะนั้นก็ถ้าท่านฟังเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนที่แล้วแล้วก็ได้มาฟังตอนนี้เลยเนี่ยก็อยากจะให้ท่านฟังเนี่ยได้ลองหัดที่จะระลึกนึกถึงความตายดูบ้างเพราะว่าเวลาที่เราระลึกนึกถึงความตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในสุขภาพของเราเองว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่ หรือว่าเราจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนไปอีกส0ปี20ปี30ปีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะการันตีเราได้ว่าเราจะเป็นผู้ที่อายุยืนหรือสุขภาพแข็งแรงอยู่ตลอดเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเขาเรียก ว, ว่าความป่วยไข่เนี่ยมันก็ซ่อนอยู่ฉากหลังนะการที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยความตายเนี่ยมันก็ยังอยู่ฉากหลังของเราเพียงแต่แค่มันสลับฉากออกมาอยู่ด้านหน้าเนี่ย จากคนไม่ป่วยก็จะเป็นคนป่วยจากคนที่มีอายุก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีอายุแล้วทีนี้เวลาที่เราหัดระลึกนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความกล้ากล้าที่จะไม่สะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยที่มันมาถึงเราจะไม่กระวนกระวายใจใจเราจะเป็นใจที่ตั้งมั่น ไม่ถูกไม่ถูกความทุกข์หรือความกลัวเนี่ยกลุ้มลุมทําร้ายจิตใจเราได้เพราะนั้นก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้ฟังได้ลองหัดแล้วมีความตั้งมั่นในจิตใจมีความไม่ประมาทเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราเนี่ยระลึกนึกถึงความตายาหรือว่าฝึกหัดระลึกนึกถึงความตายอยู่เนี่ย อันหนึ่งก็คือว่าเราก็จะได้เห็นไปตามความเป็นจริงด้วยนะว่าเวลาที่เราระลึกนึกถึงความตายเนี่ยอันหนึ่งที่มันจะมีเกิดขึ้นก็คือว่าชีวิตเราไม่ยังยืนเราก็จะค่อยๆพิจารณาให้มันเห็นไปตามความเป็นจริงไปได้ด้วยว่าเก่นสารของชีวิตสาระสำคัญของชีวิตที่เรากำลังดำเนินอยู่ประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยมันคืออะไรวันหนึ่งสมมติว่าถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่า อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเราก็อาจจะไม่มีชีวิตยอยู่แล้วทีนี้เราก็จะเห็นความสำคัญว่าในหนึงชั่วโมงที่เหลืออยู่นี้นะ่ะเรากำลังทำอะไรอยู่ให้กับตัวเราบ้างให้กับตัวเราเนี่ยที่เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะเป็นเครื่องการันตีว่าเราจะไปสุขติเราจะไม่เป็นผู้มีทุกข์เหล่านี้แล้วเราก็จะเห็นว่า ไอสิ่งที่เราทำผ่า น, านมาเนี่ยโอ้ยมันไม่เป็นเครื่องที่ทำให้เรามีความสุขได้หรือเป็นเครื่องที่นำพาไปสู่สุขติได้รักษาเสียงเรารักษาไหมเราได้ฝึกหัดปฏิบัติ จ, จิตใจไหมเราได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วได้ละวางปล่อยเว้นไหมอันนี้นะถ้าเกิดว่าเราพี่นาอยู่เรื่อยเรื่อยรื่อยื่อ ย, เ, อยเนี่ยในระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย เราก็ค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็ส่วนมากเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามอริยามรคมีองค์แปดเราก็หลุดออกนอกมรคหลุดออกนอกทางที่จะทําให้เราไปมีสุขติเป็นเบื้องหน้าแล้วก็มีที่สุดแห่งทุกข์เป็นที่สุดแล้วถ้าเราลองดูอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมของใจเราว่าใจเราเนี่ยมันไป เกาะอะไรบ้างข้องแวะอะไรบ้างแล้วก็ไปอยู่กับเรื่องไหนบ้างพอเราย้อนกลับมาอยู่อย่างนี้พี่นาเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจว่าโอ้ใจเรานี่นะใจเราที่มันไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยนะมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้ยเราง่วนอยู่กับการหาเงินให้ได้มาก เราก็หาเงินหาเงินแต่พอเรามีเงินหมื่นล้านแล้วอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะตายเงินหมื่นล้านนี่มันไม่มีค่าอะไรกับเราเลยนะแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้ยสาระสำคัญในการที่เราทำมาเพื่อให้ได้เงินสะสมมาเป็นหลายแสนหลายลาย้ลานหลายหมื่นล้านเนี่ยมันคืออะไรล่ะมันไม่ได้เห็นมีประโยชน์อะไรกับเราตอนนี้เลยวินาทีนี้เลยหรือว่า เวลาที่มรณะภัยมันมาเยือนแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะแล้วเราก็จะเห็นว่าสาระสำคัญอะไรล่ะที่มันจะช่วยเราได้ก็คือใจที่เราไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นมีบุญรองรับแล้วก็ได้ชำระเอา อ, อากุศลออกไปตรงนี้ต่างหากที่มันจะเป็นสาระสำคัญที่มันจะนำพาเราจากภพนี้ ไปพบต่อไปเนี่ยให้มันไปได้อย่างอย่างดีมีสุขคติเป็นเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านฟังทุกท่านเนี่ยท่านลองทบทวนดูว่าตอนเนี้ยถ้าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยเราเนี่ยกลังจะตายแล้วอะไรเนี่ยที่มันเป็นสาระสำคัญแล้วจิตของเราเนี่ยมันไปเกาะไปเกี่ยวข้องแวะอยู่กับเรื่องอะไรอยู่อยู่กับเรื่องคนรักหรือเปล่า อยู่กับเรื่องของอการงานไหมหรือว่าอยู่กับเพื่อนฝูงซึ่งสิ่งต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยได้นำพาเราไปในทิศไหนทิศทางไหน อ, อย่างเช่นในครั้นพุทธกาลเนี่ยนะ mm hmm. ก็จะมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อพระติสระท่านก็หลังจากออกพรรษาแล้วรับกระิศแล้วเนี่ยท่านก็ได้พา แล้วก็เลยว่าไปาจะไปตัดจีวรพอได้จีวรมาตัดจีวรพี่สาวก็เห็นว่ า, าพาพระมาช่วยกันตัดจีวรก็ได้ทําอาลเลี้ยงพอตัดจีวรได้เรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ตั้งใจว่าเราก็จะใส่จีวรชุดนี้แหละใจก็มีเกิดปฏิพั์เกิดความยึดติดเกิดความยึดถือในจีวรผืนนั้นแต่ว่า ด้วยว่ากินอ า, อาหารเนี่ยมันมากเกินไปแล้วก็ทำให้มันเกิดไม่ย่อยเลยนะพอไม่ย่อยมันก็อึดอัดแล้วก็ตายพอตายเสร็จแล้วเนี่ยใจที่มันไปคล้องแวะอยู่กับจีวรผนืนนั้นเะนี่ยนะทำให้ตนเนี่ยไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีวรแค่จิตที่มันไม่เห็นคุณค่าของการปล่อยวางไม่เห็นคุณค่าของการาที่เราจะต้อง ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นมันส่วนทางกันมีจีบอก็เกิดไปยึดเอาไว้ไปเกาะเอาไว้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระอะไรอ่ะจริงๆรจีวามันคืออะไรท่าสีเป็นท่าดินธรรมดาใจเราก็ไปสมมติว่าโอ้อันนี้มันดีนะเป็นผ้าเนื้อละเอียดนะเป็นของอย่างดีเป็นของประณีตแล้วก็ไปเกาะเอาไว้ไปยึดเอาไว้ยึดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ว่ามีสาระแต่สิ่งที่เป็นสาระคืออะไรเราก็มองให้เป็นไปตามความเป็นจริงไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันมันก็เป็นแค่ท่าสี่ท่าอย่างที่พระเนี่ยเขาสวดกันทุกวันทุกวันคืออภินันปัจจุบะจณะก็พิจารณาอยู่เนืองเนืองจีวอนนี้เราใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อกันแดดกันลมกันฝนกันเหลือบยุงแดดต่างๆเราไม่ใช้ไปเพื่อประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงาม เ, าเรียกว่าไม่หมัวเมานะ ไม่เมาในเครื่องประดับเหล่านี้ไม่ใช้มันเป็นเครื่องประดับเราใช้แค่ว่ากันแดดกันลมกันฝนกันร้อนกันหนาวกันยุงกันแมลงต่างๆเท่านี้แหละพอเรามีพิจารณาว่าเราควรจะใช้เท่านี้เราก็เห็นว่าโอ้มันก็ไม่ได้ต้องสวยงามอะไรถึงมันจะมีสวยงามตามสมมุติโลกแต่เราก็วางใจได้ปล่อยมันได้ ไม่ยึดติดมันได้แล้วใจเราเนี่ยจึงจะได้เห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสาระจริงๆการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระเหล่านี้ได้มันดีจริงๆแล้วใจเราก็จะไม่หนักไม่แน่นพอเห็นตามความเป็นจริงว่ามันก็แค่ทัาสีเท่านั้นแหละเราไปสำคัญอะไรกับทัาสีว่าสวยว่า ง, งามใจเราตั้งหากที่มัน เ, เข้าใจผิดสำคัญผิดด้วยอะไรด้วยอำนาจของกิเลสความไม่รู้อวิชชานี่แหละที่มันหลอกเราอยู่เราเนี่ยคอยพิจารณาตัวนี้คอยเล่นงานตัวนี้ให้มันตายให้มันเหือดแห้งให้มันหมดไปจากใจเราพอเราก็ใจอย่างนั้นใจเราก็ไม่ยึดได้เพราะนั้นพอเราใส่จีวรใส่เสื้อผ้าเราก็ไม่ยึดติดมันมากเราก็ใจก็มันไม่ไปผูกไม่ไปยึด ไม่ไปห่วงไม่ไปแหนเอาไว้เวลาเราตายไปเนี่ยจิตสุดท้ายมันไม่ไปยึดไม่ห่วงอันนี้ใจเรามันก็ไม่มาเหมือนพระติสระก็คือว่ามันเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรซึ่งเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรเนี่ยก็ยังมีความห่วงผ้าอยู่นะเวลาที่ภิกษุเนี่ยมรณะแล้วเนี่ยเขาก็จะถ้าไม่มีพระอุปถากเนี่ยก็จะตกเป็นของสงของที่เหลือนี่นะเขาก็จะไปแบ่งกันซึ่ง พระเนี่ยเขาก็จะไปแบ่งกันแล้วแหละเรนตัวนี้ก็วิ่งร้องไปร้องไปว่าโอยพระพวกนี้ขโมยจีวรจะมาแยี่ยงจีวรของฉันอจนเสียงอันเนี้ยก็พระเจ้าก็ได้ยินพอได้ยินเสร็จพระเจ้าก็เลยต้องไปสั่งว่าพึกเธอนะอย่าเพิ่งไปแบ่งจีวรกันนะให้มันล่วงเจ็ดวันไปแล้วแล้วค่อยแจกเพื่ออะไรเพราะว่าเรนเนี่ยมันมีอายุถึงเจ็วันเท่านั้นแหละพอได้ อยู่กับจีวรอย่างหนําใจและจนหมดอายุไขตัวเองไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่มีจิตที่มันเป็นอกุศลพอเป็นจิตที่มันเป็นกุศลตัวนี้ก็ด้วยบุญด้วยการฝึกหัดปฏิบัติต่างๆก็ทําให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาทีนี้พระพุทธเจ้าทราบเรื่องนี้แล้วก็จึงให้ภิกษุเนี่ยได้อาจีวรเนี่ยไปเจิกใจกันได้ก็ อันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นว่าจิตเราเนี่ยเห็นของที่ไม่มีสาระเป็นสาระหรือเปล่าจิตเราเห็นของนี่มันเป็นสาระคืออะไรคือการที่เราพี่น้าเห็นตามความเป็นจริงพี่น้าให้แล้วเราไม่ยึดมันถือมันอันนี้คือสาระของจิตที่เราจะต้องทํานะแต่เราเห็นสาระไม่เป็นสาระแล้วของที่ไม่เป็นสาระเป็นสาระอยู่อันเราต้องมาแก้ มาแก้ใจเราเรื่องนี้เพราะนั้นการที่เรามาพิจารณาห็นความตายอยู่เรื่อยๆเรื่อๆเนี่ยกยทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสย้อนจิตเข้ามาได้มีโอกาสพิจารณาอยู่เนืองซึ่งเป็นเรื่องดีเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยได้กลับมาพิจารณาให้ใจเราเนี่ยเห็นจากเรื่องผิดๆได้มีโอกาสบ้างที่จะได้เห็น แม้นิดหนึ่งน้อยหนึ่งที่จะเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็ค่อยสั่งสมตัวนี้แหละเห็นทีละหน่อยเห็นทีละหน่อยเห็นทีละหน่อยเราก็จะได้เข้าใจตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์คะยมมีคำถามเจา้าค่ะหลายๆคนก็อาจจะตรงใจกันกับเรื่องของการยึด ต, ติด อ, อย่างอย่างพระติสระนี่นะเจา้าค่ะถึงแม้ว่าจะ บำเพ็ญภาวนาหรือว่าทำความดีมาอยู่ตั้งนานแล้วแต่พอถึงจิตสุดท้ายที่ไปยึดติดอยู่กับผ้าจีวรก็ยังยังไปเกิดเป็นเลนได้ท่านี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของชีวิตมนุษย์ที่ต้องมีการปฏิบัติงานถ้าบางคนเนี่ยที่มีความยึดอย่างนี้เขาเรียกว่ายึดติดมันเป็นประเภทเดียวกันไหมก็คือหมายถึงว่าคนที่อาจจะเป็นคนตรงเวลาเป๊ะเป๊ะแบบเนี้ยคือ คือถ้าเราได้วางแผนไว้ว่าจะทำอันนี้อันนี้อันนี้ให้เสร็จตามเวลาแล้วมันก็จะได้เป็นผลสาเร็จคือคือถ้าทำไปตามนั้นแล้วมันมันทำให้งานเกิดผลผลสำเร็จในหลายๆอย่างในวันนั้นเนี่ยเราก็คงจะมีความสุขอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นการยึดติดลักษณะเดียวกันไหมเจ้าคะคือต้องบอกว่าคนเราเนี่ยนะปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยนะทำงานอยู่อย่างเดียวคือทำงานข้างนอกใช่แต่<ร>คนฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยเขาทางานข้างนอกไปด้วย ทำงานข้างในไปด้วยเพราะนั้นเขาก็จะรู้ว่าจิตตอนนี้เขามีอะไรอยู่เขาเป็นยังไงอยู่เขามีแพลนก็คื อ, อต้องเวลาเท่านี้ต้องทำอันนี้จากอันนี้เสร็จได้พักกี่นาทีกี่นา ท, นาทีแล้วก็ไปทำงานอันอื่นต่อต้องติดต่อประสานงานกับใครนี่เป็นต้นอันนี้ก็ต้องทำไปทำไม่มันได้นะแต่ที่นี้คนที่เขาฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะทางานภายในใจไปด้วย รู้ว่าตอนนี้เราทํางานข้างนอกไปใจเรานี่ก็คอยประคองอยู่ไม่ให้ใจเราเนี่ยมันไปมีโลภะมีโทสะมีโมหะเหล่านี้ปฏิบัติงานไปด้วยจิตที่มันเป็นกุศลได้แล้วจิตที่มันดํารงอยู่ในฝ่ายกุศลได้เนี่ยอยู่เรื่อยๆเนี่ยถือแม้ว่าตายไปขณะทํางานมันก็ยังไปสุคตินะแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเราก็เห็น เราก็เข้าใจพอพี่นาไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าโลกสมมุติอันหนึ่งจริงตามสมมุตินะอย่างเช่นอ ะ, อะไรดีละ่ะจริงตามสมมุติเนี่ยก็หมายความว่าเราบอกว่าอันนี้สวยเราดูว่าสวยนะแต่คนอื่นเขาอาจจะดูไม่สวยก็ได้เราบอกว่าข้าวกับข้าวจานนี้อร่อยดีเราก็กินแล้วก็เรหอร่อ ย, ออยคนอื่นมากินก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสมมุติเพราะฉะนั้นความจริงมันก็คือจริงตามสมมติเรากินยังไงมันก็อร่อยอร่อยอร่อยเพราะว่าเราสมมติว่ามันอร่อยนะเขาเรียกว่าจริงตามสมมติแต่ถ้ามันเหนือสมมติเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือว่าเป็นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอันนี้ก็คือที่มันเป็นจริงตามความเป็นจริงจริงๆเผ็ดก็รู้ว่าเผ็ดเค็มก็รู้ว่าเค็มเป็นต้นร้อนก็รู้ว่าร้อนอันนี้คือมันจริงตามของมันจริงๆ ซึ่งแต่สิ่งที่เราไปสมมติว่าชอบไม่ชอบสมมตวินนนมมตว่าเป็นนั่นสมมติว่าเป็นนี่ซึ่งอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะชอบให้เรามาพิจารณาร่างกายเราจริงๆร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสมมติเหมือนกันสมมติอะไรสมมติว่ามันเป็นคนสมมติว่ามันเป็นเป็นหมาสมมติว่ามันเป็นแมวซึ่งจริงๆแล้วเวลาไปเผาไฟมันก็เ we ท่ากั น, นที่มันเป็นกองดินกองกองนึนงอะนะ อันนี้แหละมันความความเป็นจริงมีแค่นี้แหละซึ่งถ้าเราเอากองดินตัวนี้เนี่ยเอาไปโปรยมันก็ไม่เหลื อ, อะไรเลยเพราะฉะนั้นไอ้ น, นี่แหละความเป็นจริงแต่ไอสิ่งที่เราเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอันนี้คือมันตามสมมติเพราะฉนั้นมันมีจริงตามสมมุติอยู่พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยใจเราก็จะไม่ไปยุดติดมันมากเวลาเราบอกว่าโอ้ยคนนี้นะเรารักจะเป็นจะตายเราขาดเขาไม่ได้ใจมันก็เติบขึ้นมา โอ้ยไปสำคัญอะไรมากข้างในมันมีอะไรมันก็เป็นของก้อนดินมีน้ํามีความร้อนอยู่มันก็ยังอยู่ได้มีลมอยู่มันก็ทําให้เคลื่อนไหวได้อย่างหล่อนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้ไอ้ที่เราว่ามันสวยมันงามเราชอบโอ้ยเราเห็นผิดนะเราเห็นผิดเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ใจว่าโอ้ยการที่เราอยู่แล้วเราขาดเขาไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยไม่ใช่แล้วล่ะ ไม่ใช่แล้วเราก็ต้องมาแก้ใจเราให้เห็นตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่ก้อนดินก้อนหนึ่งอ่าเราจะไปเอาอะไรกันมันมากเพราะฉะนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ใจเราก็จะไม่ยึดไม่ถือแต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธสมมตินะพอเราเห็นว่าเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งไม่ใช่ว่าโอ้ยเราจะไปเอาไม้ไปตีเขาเอามีดไปไล่ฟันเขาโอ้ยทำอะไรอยู่อ๋อฟันฟันดินก้อนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่คือเราเข้าใจสมมุติ แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธสมมตินะอยู่กับสมมุติใช้สมมุติให้เป็นสุดท้ายคือไม่ยึดติดสมมติเพราะเราเข้าใจมันเรารู้ตามความเป็นจริงมันเราก็ใช้มันได้ใช้มันไปเพราะเราอยู่บนโลกสมมติก็ต้องใช้ไปแต่เราก็ไม่ยึดติดมันเพราะฉะนั้นการที่เร า, เาได้พิจารณาอยู่อย่างนี้หรือว่าการที่เรามีแพลนอยู่อย่างนี้เนี่ยมีการงานแล้วก็ทําไปทําให้มัน เสร็จตามในแบบที่เราควรจะอยู่คุณจะทำควรจะมีควรจะเป็นแต่เราสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําเพิ่มคือการงานภายในนี่แหละให้ใจเราไม่ไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวเพราะว่าถ้าเราไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวเราคือเอาของที่มันไม่มีสาระเพราะมันเป็นเครื่องเป็นราวในใจของเราสาระนี่คือสาระในใจนะท่านฟังคือถ้าเกิดท่านฟังเนี่ยฟังคําว่าสาระสาระแล้วมันออกไปข้างนอกเนี่ยบางทีมันจะ ได้ความหมายที่มันไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นสาระนี่คือสาระในใจของเราเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยทำงานข้างนอกไปสาระของข้างนอกมันมีอยู่ก็คืออย่างที่เราว่าคือเราไม่ปฏิเสธสมมติเราก็ใช้ไปทำให้มันมีให้มันเป็นเพราะว่าโลกข้างนอกมันใช้สมมติการกินข้าวก็ต้องกินนะถ้าเราไม่กินข้าวร่างกายอันนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาไปส่วนการงานภายในคือเราไม่ต้องไปยึด ต, ติดมันมาก อย่างเช่นเราไม่ได้กินข้าวอร่อยก็ไม่เป็นไรเราก็กินมันไปให้มันพออยู่พอไปเราก็ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ใช่ได้เปต้นแต่ถ้ามันจะกินอร่อยก็ช่าของมันก็คือกินได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันขาดไม่ได้เลยนะฉันต้องกินข้าวได้อร่อยตลอดทุกมือ้อไม่ใช่อย่างนี้เราเอาสิ่งที่ไม่มีสาระมาเป็นสาระในใจเราแล้วอย่างนี้ผิดเพราะฉะนั้นเราต้องทําในสิ่งที่มันมีสาระให้เกิดขึ้นคือ โดยการเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสาระพอเราเข้าใจว่ามั น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระเนี่ยความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจึงจะมีได้ใจเรามันจึงไม่เกาะไม่เกี่ยวได้เพราะฉะนั้นเราก็ทำงานข้างนอกได้อย่างอย่างคนปกติทั่วไปที่เราเห็นกันแต่สิ่งหนึ่งก็คือคนทั่วไปจะไม่เห็นใจเราว่าใจเราเป็นยังไงใจเราสบายไหมใจเราปล่อยวางได้ไหมใจเราไม่ยึดเกาะกับสิ่งใด เขาจะไม่มีวันรู้เพราะเขาไม่ได้ทําแล้วเราก็จะรู้อยู่ในใจของเราว่าเราไม่ได้เกาะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ยึดสิ่งใดไว้ในใจของเราสิ่งใดที่เรายังยึดอยู่ยังถืออยู่เราก็พอทราบได้แล้วเราก็ค่อยๆแก้กันไปค่อยๆพิจารณากันไปพอเราเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจึงจะค่อยๆปล่อยสิ่งที่เราเข้าใจผิดมานานว่ามันเป็นสาระในใจของเราเนี่ยค่อยๆปล่อยมันได้ หลายๆคนที่เคยฝึกปฏิบัติมาบ้างแล้วนะเจ้าคะแต่ว่าพอมาเจอปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตอย่างปัญหาครอบชีวิตครอบครัวมีปัญหาแบบเนี้ยก็ก็จะลืมสิ่งที่เคยปฏิบัติสิ่งที่เคยทํามาแล้วก็กลายเป็นว่าอยู่กับโลกสมมุติอย่างเต็มตัวไปเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องอทํางานภายในไม่ทําเลยตอนนี้ทําแต่ภายนอกอย่างเดียวนี่มัน มันทำยังไงดีเจ้าคะ่ะมันถึงว่าเราจะต้องฝึกที่จะพิจารณาถึงความตายฝึกที่จะพิจารณาถึงร่างกายที่มันเป็นสิ่งสมมุติแล้วก็ทุกอย่างในโลกนี้ที่เป็นสิ่งสมมุติแล้วจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นไหมเจ้าคะ่ะต้องบอกว่าการที่เราเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเนี่ยนะจริงๆแล้วเขาเรียกว่ามันเมาอนะเขาเรียกว่าเมาถ้าในภาษาบาลีเวลาเราแปลนะเราจะเจอคําว่าเมาหมก ไม่ใช่เมาธรรมดานะหมกด้วยหมกลงไปหมายความว่ามั น, ม, นมันป ก, นกคลุมเมาไม่ธรรมดา <c oughs> ไอ้ความเมามันยังปกคลุมเราอยู่ด้วยนะปกคลุมแบบออกมาไม่ได้ทีนี้เราเราลองพิจารณาดูนะว่า อ, อย่างเช่นเนี่ยถ้ายกตัวอย่าง น, น่าจะง่ายขึ้นนะอันนี้ที่ที่ที่วัดเนี่ยที่คณะเขียวเนี่ยนะก็จะมีหมายอยู่ตัวหนึ่งชื่อตเตียนะซึ่ง มันมันกัดคนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาไปไปไว้ตรงกระไดก็คือผูกผูกไว้อ่ามันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงกระไดได้นั่นแหละแต่มันก็จะลงไม่ได้แล้วด้วยว่ามันเป็นพันธุ์บางแก้วนะมันก็จะห่วงห่วงที่มากทีนี้เอ่อเวลามันมีหมาตัวไหนผ่านมาเนี่ยนะมันจะเห่าแบบโอ้ยเข้ามาในที่ฉันได้ยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเห่าแหลกลาญเลยแล้วก็ วิ่งลงกระไดามาพอเชือกตึงปุ๊บวิ่งไม่ได้เสร็จก็แ้นมันเข้ามาที่อาณาเขตของฉันว่าจะทำยังไงก็กัดลูกกงกัดงังงัๆงๆอย่างนังงงงงง้นนะ <c oughs> แล้วก็เห่าว่าวกว ว, ว, วัไปโมโหมากใช่ <c oughs> พอวันวันหนึ่งพอเราเห็นงี้ปุ๊บมันก็เกิดขึ้นมา <c oughs> โอ้เออเนี่ยมันเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นที่มัน <c oughs> เป็นบ้านมันเป็นของของมันทีนี้ อันนั้นแหะคือไอ้ตเอียเนี่ยคือหมาท่านนั้นมันก็เข้าใจอย่างนั้นนะทีนี้พอเราเป็นคนปุ๊บเราก็โอ้ยนี่มันวัดของเรานะมันที่ของเราบริเวณของเรานะมันไม่ใช่ที่ของเองหรอกไอ้ตเอียมันที่ของฉันโอยการที่ไปเห่าหมาตัวอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ที่หรอกมันไม่ใช่ของของแกจริงจริงจริงๆไม่เป็นของของฉันนะมันจะวิ่งมาอะไรฉันให้มันวิ่งมันก็ต้องวิ่งได้สิสวัสดีเป็นกันเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าอ่าเอียเนี่ยมันยึดยึดว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของมันจริงๆเขาเรียกว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ยึดไว้พอยึดไว้มันก็เมาว่าอันนี้มันของฉันไม่เห็นเลยนะว่ามันเป็นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของของมันจริงๆแล้วอสิ่งหนึ่งเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้มันไปเอาอะไรกับเรื่องไร้าสาระอย่างนี้ อแต่ทีนี้ถ้าเรามองย้อนข้าไปอีกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ต่างอะไรจากตะเอียเลยนะเราเนี่ยกำลังหลงอยู่เหมือนกันหลงว่าอันนี้มันคือโลกของเราสังคมของเราญาติของเราพี่น้องของเราแล้วเราก็เหมือนตะเอียเลยว่ามินที่ของฉันถ้าตอนคืนมันมันโดนปล่อ ย, ยมันก็จะวิ่งไปเฉิดฉายไปหาความสุขในการที่โอ้ต้นไม้ต้นนี้มาอุยขอฉันไปฉี่ทับหน่อย อะไรย่างนี้เป็นต้นประกาศอนาคตใช่ก็คือหาความสุขในแบบที่เข้าหาได้นะเราก็เช่นเดียวกันเราก็อสมมติว่าถ้ามีอถ้ามีเทวดามองลงมาก็คงเขาค ง, ง, งจะตลกตลกเหมือนกันอนะ่ะเหมือนที่เรามองแต่อีกเหมือนกันนะโอ้ยพวกมนุษย์นี่นะเอาอะไรสาระอะไรกับไอ้ก้อนดินก้อนน้ําก้อนไฟเราเนี้ยโอ้ยไม่เห็นมันจะมีสาระอะไรตรงไหนเลยแล้วก็ม้วนอยู่ ทำน่นทำนี่แย่งชิงกันไปแย่งชิงกันมาประดิษฐ์ประดอยประทำกันไปทำกันมาให้มันอะไรเนี่ยไม่เห็นมันจะได้เรื่องมีสาระอะไรเลยเวลาถ้าเขามองเราเขาอาจจะมองกันก็ได้นะแล้วเราก็พูดง่ายเราก็เมาอยู่เหมือนกันนะเมาในโลกอยู่ที่ทีนี้ถ้าเรามองให้แคบลงมาอีกหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็กําลังเมาในตัวเราอยู่เหมือนกันนะเรา คิดว่านี่คือเรานี่คือแขนของเราขาของเราตาของเราร่างกายของเรานี่คือเราอันนี้คือเรานี่แหละที่เรากำลังเมาอยู่ไม่เห็นเลยว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราจริงๆถ้ามันเป็นของเราจริงๆมันก็ต้องสั่งได้ห้ามแก่ห้ามป่วยเป็นตน้นสั่งไม่ได้แต่เราก็ไม่มี Uh, จังหวะที่เราจะได้เห็นเลยว่าโอ oh, ้จริงๆแล้วนะมันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขากิเลสนี่นะมันปิดบังปกคลุมให้ความรู้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นในจิตไม่ได้เลยปิดบังไว้ทุกๆขณะไม่ให้เราสามารถที่จะ uh, เข้าใจที่จิตได้แล้วเพราะฉะนั้น การที่เราเห็นว่าเราเป็นเราเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเนี่จริ ง, รงๆก็ไม่ต่างอะไรจากแตเอียที่มันยึดพื้นที่อาณาเขตเอาไว้นะแล้วก็โอ้คนเราหมามันก็หวงที่อนะคนเรานี่มันก็หวงขันนะหวงขันนี่แหละหวงมากเออแล้วมันจะมีจังหวะไหนละ่ะที่มันจะสามารถเห็นตามความเป็นจริงได้เนะี่ยมันไม่มีหรอกถ้าไม่มีอ่าผู้ศาสนาเกิดขึ้นนะ มันมีการสอนว่าเราต้องมีสติเราต้องมาฝึกสติอย่างนี้มีการพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ให้เข้าใจเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยทาให้ได้บ่อยๆฝึกให้ได้บ่อยๆถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่มีวันที่จะเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันจึงกักขังหมู่สัตว์เนี่ยให้มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตตะนี่เนี่ยนับต้นนับปลายไม่ได้เลยหาต้นหาปลายไม่เจอ นอกจากเหล่าพระริยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยจึงจะสามารถตัดไอวัตตะตอนนี้ออกไปได้ทําเบื้องต้นเบื้องปลายให้เกิดขึ้นได้แม้ฟังเรื่องแตเอียแล้วก็สะถอนใจเจ้าค่ะ <c oughs> เพราะว่าคือตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีโอกาสได้ปฏิบัติบ้างแล้วก็ได้มีโอกาสเจอครูบาอาจารย์แต่ก็หลายๆครั้งเนี่ยแสดงว่าเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ชอบไม่พอใจก็แสดงว่า เราเนี่ยยังยึ ด, ยดความ<ไ>วเป็นตัวเราใช่ทำไมถึงทากับฉันอย่างนี้ได้อะไร<ช>นี่นี่แสดงว่านี่เรายึดแล้วล่ะใช่คือการที่เราไม่ปล่อยวางแล้วก็<ช>ไม่ไม่พิจารณาว่าตัวเราเองก็คือสิ่งสมมุติถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้อารมณ์ที่อยู่ในทางอากุศลต่างๆก็คงจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องคือถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนตังที่มันอยู่ในกระเป๋าเพื่อนน่ะถ้าเรา เอาความรู้สึกของตังที่มันอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยเหมือนตังที่มันอยู่ในกระเป๋าเพื่อนได้นะหรือเหมือนตังที่อยู่ในกระเป๋าใครก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดมีอันเป็นไปหายไปน้อยลงไปเราก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรได้เวลาที่ใครเขาทาอะไรกับเราเนี่ยเรารู้สึกเปรียบเทียบเทียบเชียงกันอย่างเมื่อกี้ได้นะเราก็จะดีกรีที่มันจะลดลงมันก็ลดลงมาก ตังในกระเป๋าเราหายเนี่ยโอ้โหเรามันดิ้นทุรนทรายเลยแหละยิ่งหายสักหมื่นสองหมื่นหรือเป็นแสนเนี่ยหายไปนะโอ้ยมันเดือดร้อนมากเป็นทุกข์มากแต่พอตังคนอื่นหายมันจะาหายหมื่นล้านหายหมดตัวจนหายยังไงเราก็ไม่เฉยเฉยไปได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยกับไอ้คำที่เป็นเอกตัวที่เรายึดว่ามันเป็นเราอยู่เนี่ยเพราะนั้นเวลาเขามีเรื่องอะไรมากระทบ ไอตัวที่ว่ามันเป็นเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงถ้าเราพิจารณาเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นธาตุ ส, สี่เนั้นเลยโอ้ยมันก็ธาตุ ส, สี่ตัวเราจริงๆก็คือในอะไรล่ะก็คือจิตของเราแน่แหละอ้าวแล้วจิตของเรามันอย่างเขาตีเราเนี้ยเขาตีโดนจิตเราไหมก็ไม่โดนหรอกเขตีทัดดินเนี้นะเขาด่าอะไรก็มันลมกระทบหูแต่จริงแล้วไอสิ่งที่สำคัญคื อ, อตัวจิตเราเนี่ยที่มันไปคอยสําคัญว่าอนี่เรานะนี่มันด่าเราอยู่นะถ้าเราไม่ เราไม่ต้องไป เ, เรียกว่าคอยจัดการข้างนอกอะไปจัดการข้างนอกมันไม่ได้ต้องจัดการไอ้ตัวนี้ต่างหากที่มันสำคัญผิดสำคัญว่าลมที่มันกระทบหูเราเนี่ยเป็นคำด่าสำคัญว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาและจิตมันไปรู้เีย ว, ว่าอันนี้เราไม่ชอบอันนี้เราเกลียดอันนี้เรารักความไม่รู้ในจิตต่างหากอันนีน้ที่เราต้องคอยจัดการมันพะจิตที่มัน มีความรู้หรือวิชาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางได้ความทุกข์หรือสิ่งกระทบกระเทือนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแล้วมันก็ปล่อยวางได้เร็วขึ้นไม่ยึดเอาไว้ไม่ไปยึดมันเพื่อที่จะมาทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราได้ถ้าพูดเรื่องของความายึดความยึดถือถ้าเราเริ่มพิจารณาที่ที่ตัวเองก่อนเราไม่ยึดถือในตัวเอง แล้วก็ไม่ยึดว่าเป็นของเราตัวเราเราก็คงจะมันก็คงจะง่ายสาหรับคนที่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันที่มีแฟนมีลูกมีครอบครัวแล้วเกิดปัญหาถ้าเร า, เาไม่ยึดในตัวเขาฝึกที่จะไม่ยึดตัวเองก่อนแล้วก็ไม่ยึดในตัวเขาเหล่านั้นด้วยชีวิตก็คงจะจะไปได้ดีนะเจ้าคะ่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันก็จะ มีสติคุ้มครองใจอยู่เพรง่ายมันก็จะไปตัดสิ่งต่างๆที่เรากาลังพูดเป็นสิ่งหยาบๆตรงนั้นเน่ยมันก็ตัดออกไปมันมันก็จะมาจ่ออยู่ที่จิตเราเนี่ยว่จิตเราเนี่ยกระทบกระเทือนไหมอ่ากระทบกระเทือนเราก็รู้ ท, ทันความกระทบกระเทือนอ น, นั้นแล้วแล้วก็ไม่ปล่อยไปตามความอยากในใจเพราะอย่างเช่นเนี่ยเวลาคนคนที่ไม่พอใจอย่างเช่นนะเวลาเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจเนี่ย ส, สิ่งหนึ่งก็คือความโกรธมันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้ความโกรธม ah ันไม่ดับลงไปนะคือความอยากในใจของเราถ้าฟังอาจจะงงงงนิดหนึ่งนะไอความอยากเนี่ยมันคอยเสียมความโกรธอยู่คือพอมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเราจะระบายความโกรธของเราอย่างไงเราจะบรรเทาความโกรธของเรายังไงเราจะบรรเทาความไม่พอใจของเรายังไง มันก็จะมีความคิดติดตอ้ตึ๊ดตึไอความอยากตัวนี้ก็คือมันจะสั่งให้เราคิดคิดอย่างงี้งี้นี้อพอคิดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ต้องพูดอย่างนี้นี้นเดี๋ยวเราต้องทําี้นี้นไออยากตัวนี้เนี่ยถ้าเราอกําจัดมาได้ทําให้มันตายออกไปได้ทําให้มันไม่มีอํานาจมาควบคุมจิตใจเราได้โกรธมันก็โกรดไปเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ความเร้อร้อนมันจะไม่ต่อเนื่อง แต่ความเร่าร้อนนี่มันต่อเนงไดเพราะไอ้ความอยากตัวนี้แหละที่มันมันเป็นกาวนะที่มันทําให้ความโกรธกับจิตของเราเนี่ยมันติดกันจิตที่มันร้อนจากความโกรธเพราะว่ามันมีกาวไอ้ตัวนี้มันคอยเป็นตัวเชื่อมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอากาวไอ้ตัวนี้ออกไปได้เนี่ยร้อนมันก็เป็นร้อนข้างนอกแหละมันไม่ใช่ร้อนในจิตของเราเพราะนั้นพอมีเรื่องกระทบปุ๊บเราไม่พอใจปุ๊บ แล้วเราก็ไม่ต่อได้ก็คือตัดไอความอยากตอนนี้ไปได้มันก็หายไปแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วล่ะเพราะว่าความโกรธมันก็เป็นสิ่งที่เขากดธรรมชาติเนี่ยให้มันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นความโกรธมันเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีเงื่อนให้มันต่อมันก็ดับไปของมันนะแล้วมันก็ไม่ใช่อยู่นานหรอกมันก็อยู่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ พิจารว่าที่มันอยู่นานเพราะมันมีกาวเหนียวที่มันติดอยู่ในจิตของเราเนี่ยนะก็คือตัณหาตัว น, นี้แหละที่มันแปะเอาไว้ท้ง้มันเหมือนอยู่นานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่าความอยากตัว น, นี้แหละค่าความอยากตัว น, นี้ได้ใจเราก็ไม่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมจากความโกรธได้อันนี้ขึ้นชื่อเป็นอย่างนั้นนะนะจริงจริแล้วเราค่าความอยากได้แหละแต่นี้ถ้ามันกระทบอยู่ บ, บ่อยๆ บ, บ่อยๆ บ, บ่อยๆมันก็เกิดขึ้น บ, บ่อยๆ แต่ถ้าเราไม่มีกาวเหนียวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่มาเกาะจิตเกาะใจเราได้นะฟังกันเถอะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีสติที่มาจอรักษาใจของเราอยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับกับเพื่อนกับครอบครัวลูกผัวต่างๆเนี่ยหรือว่า อ, อยู่ในสังคมอยู่ในโลกเนี่ยเราก็ต้องทาอยู่แค่นี้แหละมีสติที่จ่อคอยดูใจเราว่าใจเรามันกระเพื่อม ใจเรามมีกระเพื่อมไปด้วยเหตุอะไรแล้วก็คอยรักษาว่ากระเพื่อมไปแล้วเนี่ยอย่าไปต่อมันอย่าไปเติมมันแล้วก็อย่าไปยึดมันพอไปยึดเนี่ยก็คือมันมีตันหานี่นะพอมันกาวเหนียวมันแปะปุ๊บมันก็ยึดมันเป็นของเราแล้วอย่างนั้นนะฉนั้นถ้าเราเท่าทันได้ตัวนี้มันก็จะง่ายๆกระบวนการในการปล่อยวางกระบวนการในการไม่ยึดไม่ถือมันเริ่มที่ใจ เพราะนั้นการที่เราจะไม่ยึดถือเอาสาระข้างนอกมาเป็นสาระข้างในได้มันต้องเริ่มที่ใจเราต้องให้ใจเราเนี่ยไม่ไปเกาะไม่ไปเกี่ยวก็คือต้องรู้เท่าทันมันค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบตัติแต่ว่าเราก็ยังยังรักยังโลภยังโกรธยังหลงได้แต่ว่าใจเราเราจะทันใจเรามากขึ้นหมายถึงว่าเราโกรธได้แต่เราก็พิจารณาแล้วเราก็วาง คือต้องเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสนะนะอรหันตะเนี่ยเขาแปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสนะนะผู้ไกลจากกิเลสคือมันก็มีเรื่องกระทบนั่นแหละเพียงแต่ว่ า, าท่านก็เปรียบไว้เหมือนว่าเหมือนน้ํากับใบบัวเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ติดกันกิเลสมันก็อยู่อย่างนั้นแหะแต่มันไม่เป็นกิเลสที่ใจเรานะ่ะว่างั้นเถอะเวลาที่เราทําที่สุดของทุกได้เรามีความรู้แล้วเนี่ย น้ำมันก็ไม่ได้ซึมเข้ามาในใบบัวเพราะนั้นน้ากับใบบัวมันก็คนละอันกันเพราะนั้นมีเรื่องกระทบแต่มันไม่ถึงใจเพราะว่าเราเข้าใจมันเราก็ไม่ยึดมันเรื่องที่มันกระทบก็คือผัสสะที่มันมาตัดทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเนี่ยนะมันมีได้แต่ใจเราเนี่ยไม่ยึดได้เพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นการที่ เป็นผู้ปฏิบัติก็ดีหรือจะเก่าจะใหม่ก็ตามเนี่ยถ้าคอยพิจณาอยู่ที่ใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเห็นไปตามความเป็นจริงว่ามันต้องพิจณาข้างนอกด้วยคู่กับข้างในนะเพราะว่าการที่ใจเราเนี่ยมันไปยึดแล้วคือมันเห็นข้างนอกเป็นสาระพอเราเห็นข้างนอกเป็นสาระมันจึงยึดไว้เพราะฉะนั้นเราเห็นข้างนอกให้มันเป็น สิ่งไม่เป็นสาระก่อนพอจะเป็นสิ่งไม่เป็นสาระใจมันถึงจะเริ่มคลายได้นะพอเป็นเริ่มคลายได้ทีนี้เราก็ทำให้ชนานาญพอชนานาญแล้วเวลาที่มันกระทบปุป๊บไอความเข้าใจตัวนี้มันจะสั่งสมว่าโอ๊ยมันเราเอาอะไรมากกับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระละไม่มีสาระตรงไหนใจมันถึงจะปล่อยได้จากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ทำดูเหมือนยุ่งยากจริงๆแล้วมีส ต, ติอยู่ที่ลมหายใจมีส ต, ติอยู่ที่ลมหายใจแล้วคุ้มครองใจเราอยู่แค่นี้แหละเราจะค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีสาระหรอกพิจาถึงความตายบ้างพิจาว่าเป็นท่าสีบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจตามความเป็นจริงของมันได้อย่างจริงๆค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติมาบ้างหรือว่าไม่เคยปฏิบัติเลย ฟังรายการแล้วอย่างที่พระอาจารย์สุชาติบอกก็เรามาฝึกใจกันด้วยการอยู่กับลมหายใจด้วยการฝึกพิจารณาท่าสีก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถ้าเราฝึกจิตให้ไม่ยึดติดกับอะไรได้ก็คงจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นด้วยนะเจ้าค่ะใช่ค่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะอ่า อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้มาฝึกจิตฝึกใจให้เป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ทั้งภายในและก็ภายนอกวันนี้หมดเวลาแล้วกราบน้ำมัสการพระอาจารย์สุชาตินะเจ้าคะ่ะแล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะทินพร